อุปชาอาจารย์ข อ, อนิสัยก็อุปชาแล้วโอกาสที่จะโยู่เขาบูชาไม่ได้เนะมื่ออุปชาเขาต้องมอบใหอาจารย์ผู้หนึ่งผู้ที่นิสัยดีสอนดีจะปฏิบัติ ด, ดีให้ขอเขาอยู่แล้วก็เขาไปข อ, อนิส a i ต่ออาจารย์ถือถื อ, อนิสัยนั่นอยู่ืออนิสัยนั่นอยู่อันนี้เป็นหลัก เป็นหลักอย่างสําคัญเมื่อเกนแล้จะเปรียบเทียบทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีทุกวันนี้ก็เหมือนกันอืถ้าเรามีกฎเกียนถ้าจะเรียนหนังสือต้องอยู่กับค้าห้าปีต้องเรียนอยู่ห้าปีจบนี้จึงไปต่อนั้นก็เหมือนกั น, นกับทางโลกครับทุกคนยิดใจเนี่ยมันมีมายิดใจของตัวเอง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 ต้องขอนิสัยจากอุปชาอาจารย์เป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่เสมอปราศจากครูบาอาจารย์ไม่ได้ถ้าปราศจากไปวันสองวันกลับมาขอนิสัยใหม่เพราะนิสัยนั้นขาดเนี่ยท่านเรีเราเหมือนกันไน้่รทาเราเหมือนกันเนี่ยที่เราจากไปวันสองวันสามวันจากรียดเรียวนิสัยขาดเมื่อครูบาอาจารย์อุปชามาหรืออาจารย์มาต้องต่อนิสัย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 อยู่ประชาอาจารย์ที่ประพฤติดีประพฤติชอบพอรู้รู้ข้อประพฤติรู้ข้อปฏิบัติรู้แล้วก็อายแล้วก็กลัวแล้วรู้จักอวัดทราบซึ้งอยู่ในใจจะยืนจะเดินจะเหินไปที่ไหนก็ตามไม่ตรลกขนองไม่คิดเล่นไม่ทําเล่นแก่ไว้ความโรคยังมีอยู่ความโกรธก็ยังมีอยู่ อะไรอะไรก็ยังมีอยู่แต่ว่ารู้จักมันแต่ว่าไม่กล้าทาตามมันไม่ทําตามอำนาจของความอยากถึงแม้มันจะทุกข์จะยากลําบากสักเท่าไรไม่กล้าทําเพราะอะไรกลัวเนี่เพราะกลัวแล้วอายอือายด้วยสิ่งที่มันเป็นที่มันจิตอ่ยอายไม่กล้าทําไม่กล้าพูดอายกลัวมีอายมีตัวสองอย่างนี้เกิดเป็นสิดบริสุทธิ์ขึ้นมา นะด้วยเกิดเป็นนิสัยด้วยสุดเป็นว่าจิดโคตรสมรรุทรถก็ต้องเป็นคนมีตายมีวาจาอย่างอื่นแปลกเตาเปลี่ยนจากนิสัยเตาได้นิสัยใหม่มาเป็นนิสัยของพระมาเป็นนิสัยของเนมมาเป็นนิสัยของสมณนะ <c oughs> นะมีมันเปลี่ยนนิสัยผู้ประพฤตปฏิบัติ ก็เหมือนกันเราจะดูดูไปได้พระเนรเราบวชประมาณถ้ามันมีนิสัยน่ะมันต้องเปลี่ยนจากนิสัยอันเก่าคนที่เปลี่ยนจากนิสัยอันเก่าคือจิตมันเปลี่ยนถ้าจิตไม่เปลี่ยนแกว่าจะพยายามทําให้เปลี่ยนจิตมันไม่รู้มันก็เปลี่ยนไม่ได้ฉะนั้นพูดกันทุกวันทุกวันทุกวันก็ได้ยินอยู่แกมันเปลี่ยนไม่ได้ทำไมใจมันยังไม่กัว ใจเป็นยังไม่อายใจเป็นยังไไหนนิสัยมันยังไม่เป็นนิสัยถ้าเป็นนิสัยแล้วทมีนิสัยแล้วนะ่ะมันอายมันกลัวมันไม่กล้าพูดเปลี่ยนมดระบบกายวาจาของคนเปลี่ยนอเปลี่ยนหมดนอกจากวาสนาอย่างภาษาลิบุตรนะัวาสนา hmm. วาสนาอันนั้นมัน จาวกทั้งหลายนั้นละได้ายากแต่ก็น้อยหนึ<ม>่งวันพระพุทธเจ้าขอ ง, องเราพระพุทธเจ้าองค์เดียววาสนาไนี่ใสเหนื่อละได้วาสนาหนึ่งคือเฉลี่ยปัญหาที่อบรมมาในก่อนๆในสมัยก่อนมันอบรมมาหลายโคตรหลายชาติแม่แต่ก็รู้แล้วก็เห็นจนชํนานาญจนชนานาญจะพูดจนชานาญจะไปจนชนานาญจนตรวจในเส้นดาน ในกระดูกมันเข้มข้นอยู่ในกระดูกอันนั้นแล้วเข้มข้นใ น, นกระดูกอันนั้นเหมือนกับคนขี้เมาอืคนเหมือนกับคนขี้เมากินเหล้าเก่งๆเป็นนักเลงเหล้านะถึงเขาไม่กินมันก็เดินไปก็เหมือนคนขี้เหล้าเหมือนแต่ก็กินเหล้าเห็นเมื่อไรก็เป็นคนขี้เหล้าพูดก็พูดอย่างคนขี้เหล้านี่คือมันเข้มข้นกันในตัวใจมันในกระดูกอันนั้นี่ยมันติดในส้นดานนะ Eig, แต่ว่าเมื่อโลกแล้วเยังเป็นคนขี่เล่าอยู่นี่แหละแต่ก็ไม่มีอะไรไม่เมานะนี่มันเปลี่ยนได้ในวาสนานี่ยคือมันตามเช่นภาษาดิบุตรนะสมัยก่อนท่านเป็นบิงท่านเกดเป็นวินบิงมันชอบวิ่งมันชอบเต้นมันชอบโดดหน้าโดดรั้งอืภาษาดิบุตรของมันตันนิดใส่าวาสนาเนี่ยละนี่ไ่ะ บางทีเดินเดินไปถึงหิ้วถึงบ่ลึกสนุกมาโดดปุ้บเลยเหมือนกระดิ่แต่ก็โดดเฉยเ่าไม่มีอะไรไม่เกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับวาสนาไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อทำไปแล้วไม่มีอะไรไม่เกิดเป็นขีเดีไม่เกิดเป็นปัญหาไม่เกิดเป็นบาปเป็นอกศุศลเกิดขึ้นมาได้นั่นเดี๋ยว่ามันมันเคยกันมันสึกมันอันนี้ตรงมันกันถ้าหากว่า ไอ้พวกเรามาพุทธปฏิบัติเนี่ยใครจะสงบหรือับจะปฏิบัติเี่มันต้องเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากสภาพเก่าเปลี่ยนจากตายเปลี่ยนจากว่าจ่าเปลี่ยนจากคดีจ่าเปลี่ยนจากการพูดเปลี่ยนจากการมาปฏิบัติมันเปลี่ยนหมดมันเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปอันนั้นเนี่ยวะมันขอนิจฉัยแต่มันก็ได้มิสฉัยคือมันทิ้งนิจฉัยเก่า คือมันทิ้งการพูดอย่างเกา่าการเรื่นอย่างเกา่าการตรกกตะนองอย่างเกา่ามันทิ้งคือมันเห็นแล้วมันก็ทิ้งเมื่อทิ้งแล้วมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนระบาบําเพ็ญบุญระความชั่วประพฤติความดีระนิสัยเก่เาๆนั่นมาเป็นนิสัยใหม่เนี่ยเมื่อเป็นนิสัยใหม่แล้วมันก็เป็นด้วยมดคิดมันก็เป็นมาหมด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 ท่านเน่ยโสดาสกาีทาคาอนาคาอรหันต์เป็นต้นมีชื่อตามอันบุคคลิละกิเลสได้ก็คือคนคนเดียวไม่ใช่คนหลายคนคนคนเดียวที่จะมีชื่อหลายอย่างก็มันเปลี่ยนไปเพราะอาการของจิตเอาการละกิเลสอันนั้นเป็นประมาณอการละกิเลสเช่นนั้นนะอเรียกว่ายึดใส่อันนั้น มัมีใบประปาประปาทียา่ยมัดไม่มีเหมือ น, นทางโลกฮะแต่เพราความรู้อันนั้นรู้แล้วมันเปลี่ยนรู้แล้วมันละ่ะต่างจากอันนี้นั่นท่านก็เกิดใหม่เปลี่ยนใหม่เชื่อว่าเป็นอริยชาติก็ได้อริยะอริยชาติ คือมันออกไปแลกจากฆาสศิษย์กันเต่าฆาตศิษที่มันมันผีผ่านมาเป็นฆาสศิษย์ที่จะทําให้เราเดือดแดดตีนันมันหมดไปฆาสศิษนั้นไม่มีฆ้ามาจากฆาสศิษย์นั้นอริยะฆ่าจากฆาสศิอืมออกจากฆาสศิษใจออกจากฆาตศิษย์ฆาสศิษว่าจะออกจากฆาสศิอืมตายออกจากฆาสศิษ ืมค่าศึก ต, ต่อทางพธศาสตร์ศาสนาต่อคุณงามความดีมันออกไปอย่างว่าเป็นจะเป็นค่าศึกเราออกจากค่าศิกจะเป็นค่าศึก ต, ต่อความจริงใจของเรามันฆ่าไปแค่เบื้องว่าอันนี้เกิดใหม่ก็คือได้นิสัยใหม่หรือนิสัยใหม่ได้นิสัยใหม่อ่านักบวชนักพกกรตกุมมันตันมาดูเอานนี้ก็ได้เลย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 มันมีปัญญามากสติกว่านี้มันกรากไปได้ของมันอืมิตรใจอนั้นต์มันเปลี่ยนไปมันเห็นของเก่านัไนแหละมันก็ทิ้มมันไปเช่นวันน้เราขับไปในป่าสิขับไปในป่าจ้ะไปเก็บเอาผลไม้เก็บผลไม้ไปเห็นผลไม้ที่มันพอดีเนี่ยมันเปรี้ยวๆก็เอา อือาไปหาไ ป, าไปต่อไปทรเพย์ผลไม้จะดีก็น้าดีแล้วก็ต้องเทกระจาดผลไม้อันนี้ทิ้งไปเนี่ ย, ยพ่อมันเห็นเต็ม น, นั้นมันก็เทใบเทไม่เปลี่ยนอืฉันใดจิตใจเราเหมือนกันเดาเปลี่ยนไปมันมองเห็นโทษแต่ทางหลังมันก็ยิ่งละทิ้งไปๆๆเรื่อยๆไปอืมองก็ไปยิ่งละไปเรื่อยๆไปไอ้ที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยค็นึกว่าใช่แล้ว ดีแล้วเมื่อเราปฏิบัติไปที่เราอยู่นี่ก็ยังไม่ดีอยู่เรื่ยมันก็ลาะคนไปเรื่อยไปฉะนั้นได้ชื่อตามตามการปฏิบัติตามคณะของกิจที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนมาเองจะดีว่านิสัยนั่นเองทีนี้เราเราทุกคนขมั่างต้องเปลี่ยนจากนิสัยเดิมการเปลี่ยนจากนิสัยนั้นที่แรกมันต้อบังคับต่อไปมันไม่ใช่บังคับมันมันเป็นอย่างนั้นเองของ มันเป็นยังไงที่แรกดัดแปลงมันแะหน่อยสอนมันแนะนํามันแะหน่อยอดทนทําไปทําไปทําไปจนมันอยู่ตัวมันซะมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นธรรมชาติของมันต้องเกิดในสันดานนั้นมันมีความรู้สึกมันมีความเข้มข้นอยู่ในใจการปฏิบัติไม่ยอมไม่ยอมทําผิดไม่ยอมทําชั่วทำอย่างพระโสดาบันบกคลเป็นผู้ไม่กลับโสดาปฏิปันโนผู้น้อมไป ไม่ได้น้อมกลับน้อมไปอืน้อมไปเรื่อยๆไปเช่นเราไปเมืองอุบลเมืองวรินี่เมื่อไปมันก็น้อมไปด้วยไส้เข้าไปยิงน้อมไปยิงน้อมไปไส้เข้าไปถึงเมืองอุบลเป็นผู้ที่น้อมเข้าไปอืมท่านเนี่ยโซตัดสันเตวน้อมมันน้อมกขไปเหมือนห้วยน้อมคลองบึงต่างๆจะเต็มไม่น้อยที่มันมีอาการไหลน้อมไปสู่มหาสมุทรชนนั้นชั้นใด อันนี้เรารู่เห็นในปัจจุบันของเรานี่เองไม่ต้องไปตัดสินเราใครเนี่ยเราปฏิบัติไปตัวเราจะรู้จักสิ่งที่ว่ามันหนักมันก็ต้องเบาสิ่งที่ว่ามันยากมันก็ต้องไม่ยากสิ่งอะไรที่เราชอบในทางสิ่งที่เราทำแล้วมันก็เกิดโทษขึ้นมาเป็นคนทีนไม่าล้าทำเป็นค น, นที่ไม่กล้ามำนี่ฉะนั้นผู้ประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะแม่เป็นคารวะอยู่ก็แป ร, รียบคารวะ แม่อยู่ในสมณะเทศก็เปรียบสมณะทั้งหลายด้วยอาการประพฤติปฏิบัติอืมจัญญามรญาศการไปการมาการปกการฉันกานรใดใดทุกอย่างอืมน่ไม่ตลกขนองไม่เล่นจิตมันเป็นมันจิตเป็นเครียดจะช่วยบังคับครูมาอาจารย์ช่วยบังคับเราก็บังคับตัวสุกตัวเรานานๆไปเมื่อมันเห็นนั่นก็เปลี่ยนออก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 ฉะนั้นทุกคนเราก็เหมนกันเราจะดูเอาก็ได้ระบวชกันมาในพุทธศาส น, าาาน์่าทราปฏิบัติตรงมีอการเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากนิสัยเก่าเปลี่ยนจากความรู้สึกเก่าเปลี่ยนจากการพูดอย่างเก่านะมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปเปลี่ยนเรื่อยๆไปอต้องเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพาะอะไรเพราะเราสังวร อ, อยู่เพราะว่าเราสังรวมอยู่ เยียกว่าศีลสังวรเป็นศีลศีลนีน่เป็นผู้ควบคมุมให้ครัวให้อายจนกว่วที่เราจะไม่ต้องทําในสิ่งที่ชั่วในสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็เพราะศีลศีล น, น, นี่เลยเป็นเหตุให้เปลี่ยนนิสัยให้เปลี่ยนอยู่ใจให้เห็นทัดก่นอันนั่นผิดอันนั้นโทให้โกรดอายให้กิดรัว ไอ้ความครัวความมายสองประการนี้เนี่ยเป็นศีลทั้งหมดเลยจะเป็นศีลพระศีลเอ็นศีลดมงศีนอะไรทั้งหมดอะถ้าม่มีอายไม่กัวสองอย่างท่านเลอะหมดทีเดียวฉะนั้นปราดทั้งหลายท่านจึงรักษาศีนไม่ยากถ้าเราไม่รู้จกักศีนแล้วก็รักษายากแล้วจึงไป อ, อ่านมันจะต้นจนจบจนตอนปลายเลยอืม ทำมันนั่นต้องอันนั้นทำมันนั่นเป็นระบาดอันนั้นผพยายามตามไปลำบากสายจําเปลี่ยนเส่นนั้นแต่ความเป็นจริงนั้นอพลาดทั้งหลายท่านรักษาศีลท่านรักษาจิตของท่านให้อยู่ในเป็นปกติแถวนี้มันพอแล้วมันเป็นศีลหมดแล้วมันเป็นศีลแล้วมมันเป็นสินลอยู่ในนี่ในฉะนั้นเมื่อปฏิบัติสูงเึ้นไปทระยิ่งละเอียดการรักษาศีลการสังวรการสั้งรวมเพราะจิตมันเป็น เพาะจิตมันเห็นไ ม, ไม่เราไม่ได้ควบคุมมันเป็นเห็นแทบ่อไปมันก็ยิ่งห่างไกลออกไปท่านั้นเนี่ยเห็นการประพฤติเห็นการปฏิบัติเห็นการบำเพ็ญพจ์ทั้งหลายตอนนี้มีคุณค่ามาอมที่เราทำมาประพฤติมาที่สิ่งที่มันไม่ดีนั่นเห็นโทษมันเมื่อเราเห็นโทษมันเลากว่ปฏิบัติได้ทุกอย่าง อะไรที่เรายังไม่เห็นโทษมันเรากละมันเลยยากละมันไม่ได้อะไรเรายังไม่เห็นประโยชน์มันเราก็ต้องปฏิบัติอันนั้นในยากทางเราเห็นโทษของมันในการละทางเราเห็นโทษมันในการประพฤติเช่นนี้การปฏิบัติอันนั้นในยากคือมันดึงดูดไปในตัวมันเองเห็นโทษแล้วก็นีจากโทษเห็นประโยชน์แล้วก็ไปหาประโยชน์ เช่นนั้นเมื่อมันเป็นเช่นนั้นเห็นโทษแต่ความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นกับพระโยคาวจรเจ้าผู้ประพฤติษปฏิบัติเช่นนี้ก็เมื่อไรจะหุดพ้นไปเบือหนายเอื้อมละอาอหาทางที่จะไม่เกิดดีไม่แสวงหาความเกิดแสวงหาสิ่งที่ไม่เกิดกีพยายามหาสิ่งที่ไม่เกิดอี พยายามละพยายามถอนพยายามตามตรวจดูตายมาจาจิตของเจ้าของมันติดอยู่ตรงไหนอืก็ไปปดมันที่ตรงนั้นเนี่ยก็ไปปล่อยมันที่ตรงนั้นเนี่ยพยายามตรงนั้นเนอืมเป็นเช่นนี้เองฉะนั้นนิสัยอันเนี้ยออที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ท่านวางไว้นะัมันถูกต้องโดยเดินนิสัยน่ยคนไม่มีนิสัยก็เปลี่ยนนิสัยเตาอยู่มันก็มีนิสัยอันเตาอยู่ อย่างเก่าของมันนั่นเองเนี่ยใจทีงจะให้เปลี่ยนนิสัยผู้ประพฤติปฏิบัติจะเป็นไปตามธรรมะต้องเปลี่ยนเรารู้เห็นว่าเปลี่ยนเท่านั้นดูอยู่กับพระพระองค์นั้นแปลก่ยนพระเนียนก็เปลี่เนียนโยมก็ต้องเปลี่ยโยมเพราะ ม, ม, มีสิ่งที่แปลี่ยมีสิ่งที่แต่เนี่ยฉะนั้นผู้ที่ประพฤติธรรมะต้องรู้จักประมาณแล้วอยู่ในบ้านก็ดีเช่นว่า มีภรรยาสามีอยู่ก็ยังเป็นพระสูดาบันไดแต่ว่ารู้จักประมาณเขารู้จักประมาณของเขาเขารู้จักประมาณของเขาไม่ใช่คนไม่รู้จักประมาณคนรู้จักประมาณคนรู้จักประมาณเท่านั้นคล้ายๆรู้จักประมาณยังไงหิวน้ำาอดน้ำเลยมากินซะแล้วก็พอเนี่ย เมื่อหิวข้าวก็ข้าวมากินได้พอๆนะทีนี้เดี๋ย ว, วยจะประมาณจะประมาณแล้วในวงในวงของเราเนี่ยเมื่อกินข้าวกับอาหารเนี่ยพอพอแหละแต่พอกินเหล้าไปกินยาไปแล้วก็กินเบียร์ไปอันนั้นท่าโสดาบันเอะไรแต่ถึงนั้นมีครอบครัวาราาทรวาสอยู่ก็ยินดีในในในครอบครัวของเราแต่นั้น คือคือไม่ยอมเอาสนุกในสิ่งทั้งหลายคือตามไม่เอาสนุกอย่างนั้ น, น, นคล้ายๆว่ามันเดินเหนื่อยเต็มทีแล้วก็พักผ่อนในโลกสักพักหนึ่งแบบเลิกฉะนั้นแหละฉะนั้นแหละอืไม่เห็นอันนี้เป็นของดีไม่เห็นอันนี้เป็นของเลิศไม่เห็นอันนี้เป็นของประเสริฐแต่พอดีการอยู่การกินของสูปฏิบัติธรรมเลยอยู่สบาย อยู่ในบ้านก็แปลกคนอยู่ในบ้านอืการทำมาหากินก็แปรคนเช่นนั้นอยู่เป็นสุขเมื่ออยู่ในวัดกุมันกานเป็นพระกุมันกันก็ต้องแปกอย่างนั้นการอยู่ของคนนี้ต้องแปลกคนอื่นฉะนั้นจะมีมีคุณนวุ ธ, ธิอันนี้ทางใจมีอยู่มไม่กล้าทำคารพบพระพุทธถ้าทำพระสมเป็นอย่างยิ่ง เนี่ยการประพฤติปฏิบัตินี้ส่วนกันเราจะปฏิบัติใจิตใจของเราเราก็ต้องรู้วาลาจิตของเราความรู้สึกเกิดมาในจิตของเรามันกลัวมันอายมันไม่กล้าทำในเป็นธุระน้าทีของมันที่จะต้องทํามันเป็นหน้าทีธุระทวันที่จะต้องละเท่านั้นเองอันนั้นเนี่ยความรู้ชนิดนี้เกิดไปมาเพราะการปฏิบัติรู้เราละอืมไม่ใช่รู้แล้วไม่ละ น, นั่นเป็นส่วนปริยัติเฉยๆไม่เขา้าถึงใจอืมอันนี้คือมันกันฉันนั้นอืมฉะนั้นการอบรมที่เราอยู่ด้วยกันอืมปฏิบัติด้วยกันเนี่ยอืมให้เราภาวนาให้มากๆนะเราต้องให้มากวันพระวันนี้มาเราสอนกันอบรมกันก็พออืม ถ้าเราปฏิบัติมันเห็นน่ะถ้าเราปฏิบัติมันรู้จนคนมันเปลี่ยนนิสัยถ้ามันเปลี่ยนนิสัยแล้วก็ไม่ต้องตามส่งถ้าเปลี่ยนนิสัยแล้วไม่ต้องตามส่งแล้วนิดเดียวก็ไปแล้วอย่างเป็นระษาด า, บ, าบันบุกคลที่ไม่ตามส่งแล้วคือมันตกกระแสแล้วมันน้อมไปเองมันเนี่ยเอาซ้อนตัวของเขาไปนะนั่นเนี่ยเป็นผู้พ้นจากนิสัส คนจากนิสัยสมัยนี้ไม่เคยมีบวชมาแล้ววันสองวันไปเดี๋ยวหกวันเจ็ดวันไปไมันก็อมอบไปไปตามเรื่องตามราวอืมนิสัยมันก็ยังไม่ทนมันก็ยังเอานิสัยของเก่ากิริยาอันเก่าความรู้สึกอันเก่าไปปฏิบัติมันก็ยังเป็นค น, ย, นยังเป็นคารวาสยังเป็นเรือหันนิสัยที่จะเป็นทาสเป็นเดือนก็ไม่มีเพราะมันมีเปลี่ยน นี่ฉะนั้นการถูอนิสัยเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราถ้าไม่มีความอายมีกลัวมีพระมิีในหกทีพรรษาก็ตามไม่พน้นไม่พ้นนิสัยเจ็ดทีพรรษาก็ตามไม่พ้นนิสัยมันพ้นนิสั ย, ยที่ถงว่าเรารักษาตัวของเราคุ้มเราคุ้มครอง ต, ตัวเราได้ดีแล้วนี่เองอย่างน้อยห้าพรรษาห้าพรรษา จริงห้าพรรษาแล้วถ้าใครมาตั้งใจตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะ่ะพยายามรำนะ<ม>ดีดีจะเป็นพระเป็นเนรก็าตามจะไม่อยู่ด้วยเนี่ดีทีเดียวถึงห้าพรษาเราไปไหว้ใช่ละเนี่ยพอสมควรใช่ไปเอานูน้นได้มนาะใช่นี่นฉลาดพอสมควรในการละกิเลสถ้านั่น จ, จริงทรงมัญญัติไว้ให้เป็นนิสัยมุตตา เมื่อเรายังไมพนม้นนิสัยนั้นประเดี๋ยวว่าอาศัยกู อ, อยู่อาศัยปรชาอยู่อาศัยอาจารย์อยู่ออาศัยอยู่หรือออกไปจากครูวาอาจาย์ที่ไหนก็ต้องท่านอาจารย์องค์นี้พระองค์นี้มีนิสัยดีมีศีลบริสุทธ์ดีก็อาศัยอันนั้นขอ nisai อื่นต่อไปเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของเราอืม น, นี่ไม่เสื่อมถ้าทำรมนี้ไม่เสื่อมมีแต่ความจเจริญไปบงหน้าตันะ่านั้นดีช่วยกันเนี่ยถ้าว่าเป็นที่นี้มันช่วยกันในหลักคุณธศาสน า, าในเต็มที่เลยทีเดียวสอนง่ายเบาเบาเบ า, เบาใจจากครูบาอาจารย์จากท่วนทิกสุสมเณนิทั้งหลายแล้วเพราะว่ามันดูจากทิดจากใครเนี่ย มันจะพยายามล่าพิษลาไพของมันแล้วถ้าจิตมันเป็นเต็ น, นั้นอันนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะการปฏิบัติการปฏิบัติการอดทนการกระทำเพียนดูจุดหนึ่งที่เรียกจุดจิตของเราเนี่ยดูเนี่ยเพราะว่ารูที่จิตของเรามิสใสมันอยู่ที่จิตของเราจิตเป็นจุดอันหนึง่งอ่า ในในสกวนร่างกายของเราทั้งก้อนก้อนรูกอะไรก้อนลูนกลที่เรานั่งอย่างนีมันมีจุดเดียวที่เราจะรู้ทั่วถึงที่จิตของใจมันจะตาหูจมูกลิ้นกายมันจะผ่านเข้มาถึงจิตของใจฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้รู้จัก ร, จ ร, รักษาใจของเราให้ฉลาดในการรักษาใจของเราให้มีสติในการรักษาใจของเราเพราะว่า เมื่อเราคุ้มครองอยู่ที่นั่นเมื่อเรารักษ า, าอยู่ที่นั่นในจุดอ น, นั้นอารมณ์อะไรที่ไหนมาผ่านเมื่อมาถึงจุดนั้นเออเมื่อถึงจุดนั้นเราก็คงในรูป ม, มันเมื่อมันรูปมาเราก็แทบแทบจะแกะเสียมันจอนมาแล้วก็ต้องรับต้อนรับมันถ้าเราคนเป็นผู้ฉลาดก็ต้องต้องต้อนรับมันด้วยปัญญาแก้ไ้อารมณ์นั้นได้ถ้าเราไม่ฉลาดก็ต้องต้อนรับมันในคว า, า ม, ามง่ นะออมันประจูงจะหมุกระไปอารมณ์มันั่นก็เหมือนตามเชะนั้นฉะนั้นตอนที่ให้เรียนอยากให้มีนิสัยให้รู้สิ้งทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นถึงวันพระจึงให้อบรมกันอบรมศีลที่เราที่เราที่เราทำาโอโซนวันนี้ก็เหมือนกันเพื่อให้เป็นอย่างนี้เพื่อหเห็นอย่างนี้ ให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้อ่าการประพฤติบัตรในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะไม่ต้องอะไรมากให้เราคอยสังเกตจิตของเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราคอยกิจนาสังเกตเมื่อมีอารมณ์กรมามทบมอะไรอย่าพึ่งตามมันไปเลยอย่าพึ่งว่าอย่าพึ่งยื่นกับมันใหม่อันนี้เราชอบใจเด็ดเดี่ยอย่าพึ่งจิตมันจะเป็นอย่างนั้นก็อย่าพึ่ง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 อาจารย์ทีคงที่เนี่ยอาจารย์ที่มันวิ่งไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยปัญญาเกิดตรงนี้ปัญญาเกิดตรงนี้ถามไปยิ่งกว่ามันมีปัญหาทําไมถึงไม่นวิ่งตามมันไปเพราะจิตเห็นว่าอันนั้นเป็นของไม่แน่นอนเน่ยอันนั้นเป็นของไม่จริงอันนั้นเป็นของไม่แน่นอนไม่ต้องวิ่งตามมันไปเลยไม่ต้องประทานมันอันนี้จิตมันมีเหตุผลอย่างนี้ เพืมารู้สิ่งทั้งหลายเรานั่นตามเป็นจริงแล้วเร่นนี้ฉะนั้นที่ในตามดูจิตของเจ้าของเรื่อยไปจินาเรื่อยไปปัญญาเกิดขึ้นจากจิตปัญญาเกิดขึ้นในจิตทําจิตให้ฉลาดเรียกว่าปัญญาเกิดมาในนั้นถ้าเราวิ่งไปกำมันมันความฉลาดมันก็มันโยงกันงโง่แ่ะถ้าเราวิ่งไปตามนทานนี้อีกไม่ฉลาดไม่มีปัญญาเรเกิดมันงโททง่แต่นั้นไงก็เลยเป็นคนวิ่งไปยิ่งมานะ วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปไม่รู้จะอะไรกันอยู่ดีใจก็บิ่งไปจนสุดจิตนะเสียใจก็บิ่งไปจนสุดจิตนะชอบก็บิ่งไปจนสุดจิตนะไม่ชอบก็บิ่งไปจนสุดจีบนะถึงทุกทั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราถนอมให้คงที่ให้คงที่ให้เป็นหนึ่งถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าภาวนาพุทโธให้เป็นหนึ่งให้จิตเป็นหนึ่งตลอดเวลา เป็นเอกพระพุทธเจ้าของเราก็มีอยู่อืพระอริยสาวกของเราก็มีอยู่สุขก็มีอยู่ทุกข์ก็มีอยู่เรื่องชอบใจก็มีอยู่ไม่ชอบใจก็มีอยู่แต่พระท่านรู้มันจะได้เสนอวิญญตามมันแล้วก็ปล่อยมันเพราะท่านเห็นโทษกันแล้วเพราะว่าธรรมชนิดเ น, นี้ยไม่ใช่ธรรมที่จะเราจะบำเอ็ญเป็นธรรมเราจะควรละเมื่อความดีใจเกิดขึ้นมาปึ๊บเดี๋ยวเท่านั้นต้รู้ไปเลย ไม่พอใจขึ้นมาตัวอันเดียวกันเลยมันมีราคาเท่ากันกันนั้นมิฉะนั้นจะเป็นคนวางวางอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่วางไม่รู้นะวางเพราะการรู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันปรากฏตามขึ้นมาเดียวสุขมันก็รู้ว่าสุขแกไม่จิตสุขทุกข์มันก็รู้ขึ้นมาแต่ไม่ไม่ไปจิตตั้งทุกข์เจ้าของทุกข์นั้นไม่มีเจ้าของสุขนั้นไม่มีเพราะแต่ว่ารับรู้เรื่องามสลายตัวไป จักก um ็จะสกิดได้กะดับไปเกิดได้กะดับไปเกิดได้กร uh ับไปอืมเนี่ยจากเกว่าธาตุมันเกิดได้มันรับอมันไปแค่นั้นเนี่ยเพราะนั้นจิตก็เป็นเสษีอยู่อืมจิตก็ไม่ผสมผสมกับอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์เอาอารมณ์ก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตเมื่อเห็นจิตเมื่อแยกจิตกับอารมณ์ออกจากกันได้มันก็คนใอย่าง อารมณ์เกิดไม่ดีขึ้นมาใจแล้วก็ไม่ดีอยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีไปตามอารมณ์ที่เรียกว่ามันไม่ดีเนี่ยมันเป็นอารมณ์จิตต้องไม่หลงเนี่ยจิตไม่วิ่งไปตามเนี่ยอารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจสักแต่ว่าอารมณ์สักเ่ว่าทํามันเกิดแล้วดับไปเขานั่งดูมันถนัดมีสักแต่ว่าเกิดแล้วมันดับไปสักแต่ว่าเกิดแล้วมันดับไปสักแต่ว่าเกิดแล้วมันจะรับธรรมะไป เมื่อจะได้ยินหนู่เมื่อจะได้เห็นหนูรู้อยู่ในการยินการโดนการนั่งการนอนก็เห็นว่าอันนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นออไม่เป็นทุกข์เพราะอารมณ์มันั้นไม่เป็นสุขเพราะอารมณ์มันนั้นไม่กินสุขกิดทุกข์เพราะอารมณ์มันั้นอันนั้นแท้ก็จะเป็นธรรมชาติอันเกิดแล้วมันดับมันไปเห็นความเกิดจะเห็นความดับเห็นความเกิดที่เป็นความดับเนี่ยในเวลาอันนั้นก็รู้สิ่งที่มันมันเกิดมันดับอยู่เท่านั้น เห็นธรรมเกิดขึ้นมันก็รับไปเห็นธรรมเกิดขึ้นมันก็รับไปมันจะมีอะไรอีกล่ะเหมือนท่านก็ไอ้ไ อ, อ, อ้ขึ้นมหาสมุทรที่มันเป็นขึ้นมาขึ้นมาเกิดมาแตกระมองดูเนะ่ะเมื่อมาถึงฝั่งมมากระทบฝั่งเนีนยมันก็กระจายไปไม่มีเละหมดเลยขึ้นนี้ขึ้นหน้าต่อมาอีกอืมขึ้นมากระทบฝั่งเนี่ยกระทบฝั่งอีกมันก็กระจายไปอีก มันจะเป็นอยู่อย่างนี้กะทั่งปีกระทั่งชาติมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เองมันมันขึ้นกระทบฝั่งทำอันนี้ก็มันการเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปดับแล้วเกิดขึ้นมาเกิดแดงมันก็ดับไปมันก็เกิดขึ้นแล้วเกิดดับไปมันก็เป็นกับมันอยู่เช่นนี้ใจไม่เกิดไม่ดับกับมันจิตไม่เกิดไม่ดับกับมันทำไมไม่เกิดไม่ดับกับมันพรเห็นจริงทางไหนมันเป็นภพมันเป็นชาติอยู่แล้ว ยึ่งตามมันไม่ได้เมื่อจิตพอ ร, รู้ทั่วถึงทั้งหลายเลยเนี่ยรู้ถึงว่เป็นคนฉลาดแล้วก็เลยปล่อยจิตปล่อยทาที่ว่าปล่อยไม่ใช่ว่าไม่รู้ต้องรู้มันถึงปล่อย ไ, ไดน้นี่้ปล่อยมันได้ถ้าพูดตามธรรมะในทีน่นี่แต่ในวัาจิตมันว่างถ้าพูดถึงก็จิตมันว่างอย่างพระโม ก, โมกขรา่ส ถ, ถาโมกขลาช มัจจุราชตามไม่ถึงไอความตายตามไม่ถึงมันมีเกาะกำบังอยู่แล้วมัจจุราชคือความตายตามไม่ทันตามไม่ทันตามพระโมกขลาตามประโมกขลาดแต่ทันทำไมถึงตามไม่ทันละ่ะทำไมถึงตามไม่ทนันเพราะตัณรู้ตามเป็นจริงแล้วว่าสัตว์บุคคลไม่มี ไอ้ที่มันเกิดมันตายเนี่ยมันเกิดมันดับไปรูปนามมันเกิดมันดับไปต่างหากแต่มันนท่านไม่ได้ตายมัตติราชทิ้งตามไม่ถึงท่านดินน้าไตรมาซ์กระจายไปต่างหากเพรมันไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันว่างอยู่ในที่มันมีเช่นนี้ไม่ใช่มันว่างอย่างเงี้ยไม่ใช่มันว่างในเรื่องอะไรในเรู้จักรุขในเรู้จักทุกข์ไม่รู้จักอะไรว่างเงี้ย ถ้ามวลาอาจิดของคนน้มันว่างอย่างนี้นไม่ได้เนอมันม่ว่าถ้าว่างเชนนั้นก็สงสัยอยู่แหละมันต้องหาที่ที่ว่างในสิ่งที่มันไม่ว่างเราจะต้องหาวิมุตในในในสมมุติแล้วจะหาความเย็นในความร้อนเราจะหาความสงบในที่มันวุ่นวายเราจะหาความสุขในที่มันทุกข์มันก็ต้องเป็นเช่นนี้เอง ธนิจมัน ว, ว่างไม่ใช่ว่างไม่รู้เรื่องอืมคือมันไะยึดมั่นถือมั่นมันมันก็ว่างจากว่างจากราคะว่างจากโทสาว่างจากโมหะคืออารมณ์ทางไหนเรางี่จะมาฟอให้เกิดราคะโทสาวตืดอีกไม่ได้คือไม่มีใครเป็นเจ้าของเนี่ยมีสุขเกิดขึ้นมามก็มาไม่มีใครเป็นเจ้าของนมีทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของนี่เมื่อเกิด รูปโฆษณาสัญญาสังขารเนี่ตายแตกไปก็ไม่มีใครตายมัจจุราชตามท่าน ไ, ได้ไหมตามคนท่าน ไ, ได้ฉะนั้นจึงว่าพระโอษฐรัตน์เนี่ยมัจจุราชตามไม่ทันอมัจจุราชตามทันแต่บุงคนที่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาตามทันแต่บุงคนที่มีจตเดียร์ตันหารู้ไม่เท่าตามเป็นจริงเท่านั้นเอง เท่านั้นจิตว่างจิตว่างถ้าเราไปคิดดูก็ไม่เห็นว่ามีอะไรอืมมันคิดอยู่แต่ว่างยิดูว่างไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่อ ง, ไ ม, องไม่รู้เรื่องของมันว่างอก็คือความสงบจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ เ, เองอืมไม่ใช่อยู่ไปอะไรนีร่เรีว่านิสัยร่วมแรกมันเกิดจากนิสัยแล้วก็ต้องเปลี่ยนเรืทียๆไปเป็นโซดาสีพัฒนาชาอรหนันต้น นี่เป็นจริยาของจิตเป็นการประพฤติปฏิบัติได้ชื่อมาเพ่าะการละกิตเช่นนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นทีนี้เราจะเพิ่งไปถามถึงมันเลยว่าอ่าผมทำขนาดเนี้ยจิตของผมไปเชิงตานนี้มันจะเป็นชั้นไหนมันจะเป็นอะไรทนี้อย่าไปถามมันเลยมันยุ่งอย่าไปถามมันคือจิตซับบัญญัติอันนี้มันต่างกันนี่เหมือนกันหรอกไปอ่านดูสิ โรคปวดุ้มไปอ่านดูดิไอ้ที่มันเกิดตั้ใจของเรากับตัวหนังสือเนี่ยมันต่างกันไหมในไปอ่านหนังสือเฉยๆนี่สบายโรกเป็นเงั้นโวดงุสบายเนี่ ย, นน ย, ย, ยถ้ามันเกิดกับจงจิตคนนั้นมันจะเป็นงั่นเลยนะมันจะข้าจะแกงขึงข้นมาเนี่อันนี้ตัวจริงมันเป็นชนีดอืมไอ้ฉะนั้นลักษณะปฏิบัตินี่มันจะเห็นซึ่งไปยิ่งกว่านั้นอีกไอ้คนรู้ในรานปฏิยัติเนี่ยมันละไม่ได้ ถารู้การประพฤติปฏิบัตินี่มันรู้ตามเป็นจริงมันล่าข้อมันได้ว่าอันนั้นไม่มีอันนั้นมีโทษมันเห็นโทษจริงๆอันนั้นเกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์จริงๆมันทําโทษอันนี้ให้มีขึ้นมาทําประโยชน์ที่ให้เกิดให้มีขึ้นมาในใจข้อมันจริงๆเนี่ยมันเป็นจริงจนนี่ยนิสัยเนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปนี่มันเกิดไปเรื่อยๆไปมันเกิดไปเรื่อยๆไปขณะของจิตฉะนั้นจงหาปัญญาเกิดจากจิตของเรา โดยมากก่าคนเาจะคิดเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนให้เข้าใจว่าศีลกดีสมาธิตัวดีปัญญาก็ดีทําไมทันเส้นแบ่งมันออกไปคือแบ่งออกไปเพื่อให้พวกปริยัติเรียนง่ายเข้าใจง่ายอาการเช่นนี้มันเป็นชื่อว่าศีลอาการเช่นนี้สมาธิอาการเช่นนี้ว่าปัญญาความเป็นจริงศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยมันก็อันเดียวกันน่นแหละ อันเดียวกันแหละแต่ว่าโนแบงเาอาเป็นตัวเราเนี่ยอันนี้ตาอันนี้หูอันนี้ปากอันนี้แขนอะไรหลายๆอย่างนน ใ, นในตัวของค น, ค น, ค, นคนเดียวมันก็คนคนเดียวนยั่นแหละแต่แยกให้รู้จักห่ายตรงนั้นเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิน้นเป็นตาแยากออกแต่ว่าแยกออกไปที่ไหนมันก็ไม่ออกก็รวมในคนคนเดียวนยั่นแหละนักปฏิบัติเห็นเห็นกัาไปเห็นนี้รวมกันมารวมกันมารวมกมันมานี่ สินสมาธิปัญญามันรวมเข้ามาสินสมาธิปัญญามันเป็นก้อนเดียวกันถ้าเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยปริยัติเดียนยากก็เรื่องอาการชนี่เดียตายวาจาเป็นสินเนี่ยจิตเป็นสมาธินี่ปัญญาก็เป็นปัญญานะเป็นมีเยกออกอาการจะนุ่มเป็นอาการมีความรู้สึกรู้คิดรู้แจ้งเตือนลอดเป็นปัญญาอาการที่สงบสงบชนิดข็งสมาธิ อาจามีความสังสอนสอนดูเยอะกว่าซึ่งะมูกสูดรวมหายใจเหม็นหอมาตาจะเห็นลูกหูก็ฟังเสียงะจมูกรวงมันก็ามารวมกันในที่รูของจิตอันเดียวทําไมถึงแยกกันออกแยกให้ดูจักจมูกอืมรู้จักจมูกอันนี้เป็นจมู ก, อ, นนมกอันนี้เป็นตาอันนี้เป็นปาก อันนี้เป็นเนเป็นนั้นอันนี้เป็นขนอันนี้เป็นแยกไปเช่นนะั้นแต่มันงคงอยู่ที่เก่ามันเองเมื่อเรารวมรลกรวมรูปีนานเดียวทั้งหมดนี่ในสกลร่างกายเป็นของนนไม่แน่นอนเท่านั้นแนะอืะจนจิตเราพ้นออกไปละออกไปได้เห็นโทษมันก็ได้เข้าใจว่าเรานะัเนี่ะเห็นผลทุกสินน่งผลเห็นผมทุกสิ่งสิ่งผมเลยเห็นกระดูกทุกซี่เห็นเอ็นทุกอย่างเห็นทุกอย่างเลยทิ้งทั้งหมดได้ ่วนเกมดนี่พานความเบื่อหน่ายในก้ อ, น, อนนั้เน mm ี hmm. ้แต่มันยากไม่ออกค mm ือ hmm. มันรวมกันอยู่แยกออกไปรรูกก้จัดง่ายอเท่านั้นเองเมื่อผลที่สุนมันไปรวมกันการประพฤติปฏิบัตินี่คือมันกันอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยไม่จะเป็นอปปนาสมาธิุปจารสมาธิอืมสิตสมาธิอัปปนาสมาธิ มันก็คือเรื่องจิตอันเดียวกันนั่นแหละอื่น่ะเรื่ิตเดียวกันคณะสมาธิคือมีความสงบไปชัว่วคราวลหรอก็เไิ่รู้อุปจรารสมาธิมันก็ค่อยๆผ่าไปนานก็นานดิอุปจารสมาธิเนี่ยผ่านไปเกินคณาหนึ่งขณะนี้มันสั้นขณะนี้มันยาวอัปปนาสมาธิอยู่ไปตลอดเลยเปหลายชั่วโมงเลยมันแน่แน่ว เมื่อจิตเช่นนี้มันเป็นอัปปนาสมาธิปุจจาระสมาธิขณะสมาธิแม่มันก็จิตตรงเดียวกันนั่นเองน่ะเมื่อมีสมาธิน้อยมันก็ว่าไปอย่างหนึ่งเมื่อจะมีสมาธิไปมากกว่านั้นมันก็ว่าไปอย่างหนึ่งเมื่อมันมากที่สุดของมันก็เรียกชื่อมันไปอย่างหนึ่งฉะนั้นเรื่องอันนี้จะต้องศึกษาในที่นี้เพื่อจะรู้จิตเห็นว่าเรื่องจิตขณะสมาธิจะเป็นยังไงปุจจารสมาธิมันเป็นยังไง อปนาสมาธิเพลงเรียนไปก่อนแะจะไม่รู้เรื่องเนาะไม่ต้องตามมันไปเราทํามันไปเถอะมันจะเห็นนะมันคณะสงบ์ช่วคราวมันก็มีเลยอุปยศสมาธิมันเดินอุปยศมาททเที่ยวเข้าไปวิจารอุปยศเข้าไปเที่ยวในที่สงบนั่งสักพักหนึ่งอัปนาสมาธิแน่แนวมีกําลังยิ่งกว่าสมาธิกัรสองนี่ อาการสามอย่างนี้มันจะพบที่ ก, กิตของผู้ปฏิบัติคนนั้นถามไปพรอยใน่รู้เนื้ อ, อันนี้คืออะไรไม่รู้จักเพราะว่าเออุปจารสมาธิเมื่อถึงปุบมันไม่แสดงภาพเป็นตัวหนังสือออกมาเลยทีนั้นอันนี้อุปจารสมาธิมั น, นบอกอย่างนั้นนะมันบอกเป็อาการถ้าเรามีปัญญาเรื่อณะอันนี้มันเบาอย่างนี้ขณะนี้มันเบาอย่างนั้นขณะนั้นมันอยู่กำลังอย่างนี้เป็นรู้จิตอย่างนี้ ตามบรรดอันนี้นี่ว่าณะของจิตมันจะรู้ตัวมันเองไม่ต้องไม่ต้องคิดยากไม่ต้องลาบากอะไรมันเลยเรื่องปฏิบัติเนี่ยขอเที่ว่าเบื้องแรกก็มาอ่าศีลของเราสังอรสั้งวงเนี่ยเบื้องแรกที่สุดนิสัยเนี่มเข้าในพวกในฝูงก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวไม่แยกอืู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 ในจอหนังนั่นแหละ ไ, ไปดูสิเองไปดูจอมาเนี่ยนะไฟเอฟนางเอฟมันจะเต้นลงมาตรงนั้นแหละอะไรมันจะออกมาตรงนั้นแหละในจอนั่นแหละจิตนี่คือมันจังมไม่ต้องกระเระสือดกระใสในการประพฤตปฏิบัตินั้ว น, นะไม่ต้องไปคิดเองมันมากไหมธรรมอารมณ์เย็นๆที่จะ น, นามันเชื่อว่าอะไรมาหลอกลวงไม่ได้อเรื่องที่ชอบใจเรารู้ไม่ชอบใจเราก็รู้จักมันแล้วตามเป็นจริงเลื่อสมัยปล่อยมันก็พยายามปล่อย ม เ, มเมื่อชนได้นิสยัยอืมเมื่อปล่อยมันก็สบายเมื่อเป็นแบตมันก็หนักเมื่อปล่อยมันก็เบาเบาขึ้นมามันก็รู้เห็นการไปจริงของมันอยู่ในการทัศนคตปฏิบัติไม่หึงใจคนระับอันนี้ไ่ต้องสงสัยเลยอขอจะปฏิบัติส่วนตัวคงใจคงใจคงใจเท่านั้นแหละมันจะมากจะน้อยให้เป็นผู้มีอุปนิสยัยเป็นผู้มีปัจจัยเป็นผู้ถื อ, อนิสยัยเมื่อมัน เมื่อมันจิตคนนมันเชิงตันิดหนึ่งก็รู้จักมันก็เลิเมื่ออยากจะพูดทํานั่นแกมารู้มันปิดไปเลิกอะไรอย่างนี้ล่ะพยายามรวมเข้ามารวมอากานเช่นนี้เลยสังวรสินสังวรสังรวมอยู่รวมกันก็มารวมเข้ารวมเข้ารวมเข้ารวมเข้าต้องเข้ามาจะน้อยจะน้อยจะมีจุดน้อยรู้ง่ายรู้ง่ายเมื่อรวมมาถึงกายกายจิตได้หมดเลยหมดเลยอ ปวดวัดอุตริมนุษย์การทำเศษเ ม, มทูนลในว่าเข้ามาไปนึ่ง ม, มันอยู่นู้นเราไปเสียบอยู่ตรงนี้เราไม่ทำอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้มันเห็นง่ายในเพราะในตรวจตรงนี้เราต้องฝึกพยายามฝึกกินนี้เรว่องการปฏิบัติของเราไม่ต้องไปเห็นอันน้นไม่ต้องไปเห็นอันนี้เห็นจิตของเราไม่เป็นทุกข์เห็นจิตควาภาคจากอารมณ์นี้ได้เห็นจิตของเราไม่ไปยึดความรู้ปวดรงอะไรทังไหลายทั้งปวงนี่จิตละน้อยละน้อย ไป่งไปเห็นพยาคดพยาห้าไเห็นเทวรายพยาพรมยมยักอะไรแล้วปฏิวัติเนี่ยไม่ถึงไม่ต้องเ้งไปตรงน้นดูจิตแตองนีงพอแล้วอันนี้ที่พระพุทธเจ้าของเราต้องการจริงๆเพราะเห็นอันนี้ให้รู้อันนี้ตามเป็นจริงทางนั้นไม่จะผิดไป